Thank mm -hmm. you. เมื่อสครู่เราได้สวดบทที่ชื่อว่าเทวทูตสุตตปาถะก็คือคําสอนเกี่ยวกับเทวทูตนะประโยคแรกก็บอกว่าเนี่ยบุคคลใดเมื่อถูกเทวทูตทั้งหลายตักเตือนแล้วยังประมาทอยู่บุคคลนั้นย่อมเกิดในกําเนิดที่เลวหรืออบาย ตกิในนรกประสบทุกโศกสิ่นกาลนานได้สวดแล้วเนี่ยนะลองพิจารณาบ้างก็ดีนะพวกเราเนี่ยจืนอยู่ในที่นี้เนี่ยนะเทวทูตเตือนแล้วเนี่ยยังประมาทอยู่หรือเปล่าลองถามตัวเราเองอยู่หลายคนฟังแล้วก็ยังงงนะถูกเทวทูตเตือนตั้งแต่เมื่อไหร่ถูกเตือนมานานแล้วนะ แต่ไม่รู้ตัวในพระไตรปิฎกมีตอนหนึ่งนะพูดถึงคนชั่วที่ตายไปแล้วเนี่ยไปเจอยมมทูตยมมาทูตก็ถามว่าเนี่ยเคยเจอเทวทูตมาเตือนหรือเปล่าชายคนนั้นก็บอกงงเลยนะเทวทูตที่ไหนไม่รู้เรื่องโยมทูตยมาทูตก็เลยถามว่าเคยเห็น คนเกิดไหมเคยนั่นแหละคนเกิดนั่นแหละคือเทวทูตนะเมื่อเห็นคนเกิดแล้วเนี่ยเจ้าเคยสํานึกที่จะทําความดีพรได้เกิดมาเป็นมนุษย์บ้างไหมเมื่อไม่สํานึกแล้วทําชั่วเนี่ยก็สมควรที่จะถูกลงโทษเจ้าเนี่ยเคยเจอคนแก่บ้างไหม เขาเคยคนแกนน่เนี่ยอะไรเนี้ยนะเมื่อเห็นแล้วเนี่ยเคยสํานึกไหมว่านะสักวันหนึ่งเนี่ยเราจะต้องแก่เพราะนั้นต้องรีบทําความดีเคยเห็นคนเจ็บบ้างไหมนะเคยเมื่อเห็นคนเจ็บแล้วเนี่ยนะก็ควรจะสํานึกนะว่าสักวันหนึ่งเราต้องเจ็บต้องป่วยเพราะฉะนั้นต้องรีบทําความดี เคยเห็นคนทำชั่วแล้วติดคุกถูกลงโทษบ้างไหมเคยคนเหล่านั้นแหละคือเทวทูตที่มาเตือนว่าถ้าทำชั่วเนี่ยย่อมถูกลงโทษนะเพั้นต้องรีบทำความดีเคยเห็นคนตายบ้างหรือเปล่าเคยนั่นแหละคือเทวทูตนะที่มาเตือนว่าสักวันหนึ่งเนี่ยเราต้องตายเพราะฉะนั้นค่ะที่ยังมีชีวิต อ, อยู่ต้องรีบทำความดีเจ้าเนี่ยนะ ถูกเทวาทูตมาเตือนแล้วก็ยังไม่สํานึกยังทําชั่วอยู่นะเพราะฉะนั้นจะต้องโดนลงโทษหนักนะถูกส่งไปนรกเลยนะอันนี้จะจริงหรือไม่จริงก็แล้วแต่นะแต่ว่าประเด็นสําคัญคือว่าบอกให้เรารู้ว่าเทวดาทูตเนี่ยนะมันไม่ใช่เทวดานะจากสวรรค์ที่จะมาบอกข่าวหรือมาเตือนอะไรเรเลยนะนั่นก็คือผู้คนทั้งหลายที่เราเห็นอยู่ทุกเมื่อเช้าวันคน คนเกิดคนแก่คนป่วยคนที่ติดคุกติดตลางเพรถูกเพราะทำชั่วแล้วคนตายสองประเภทหลังหลายคนอาจจะไม่เคยได้เจอนะคนส่วนใหญ่สมัยนี้ไม่ค่อยได้เจอคนตายเท่าไหร่ ย, ยกเว้นพวกที่ทำโรงพยาบาลบางคนมีอายุสี่สบห้าสิบแล้วยังไม่เจอคนตายเลยเพราะว่าพ่อแม่อายุยืนอายุเกนะ้าสิบถ้าคนในบ้าน ยังอายุยืนไม่ตายเนี่ยก็แทบจะไม่ได้เห็นคนตายจริงๆเลยเพราะว่าสมัยนี้เราต่างคนต่างอยู่เป็นครอบครัวเล็กนะไม่เหมือนคนชนบทเห็นคนตายบ่อยนะปีหนึ่งหลายครั้งเพราะส่วนใหญ่ก็ตายกันที่บ้านนะคนที่ติดคุกติดตารางพราะทำชั่วก็ไม่ค่อยได้อาจจะไม่ค่อยได้เจอนะแต่ว่าสามประเภทหลังเนี่ยนะเจอบ่อยแล้วก็ให้รู้ว่านั่นคือเทวทูต เทวทูตเหานี้มาเตือนเราแล้วเนี่ยนะถามตัวเราลยว่าเราประมาทอยู่หรือเปล่าหลายคนเนี่ยยังไม่รู้เลยว่านั่นคือเทวทูตนะก็เลยยังประมาทต่อไปประมาทต่อไปไหมายความว่าไงก็มายความายังลุ่มหลงนะอยู่ในความสนุกสนานยังเพลินกับการกินการเที่ยวการเสพหรือว่าเพลินในความเป็นหนุ่มเป็นสาวนะ อนะย่างคิดว่าเรายังอยู่ได้อีกนานนะกำลังวังชาอ ย, ย่างแข็งแรงนะไม่ได้นึกเลยว่าสักวันจะต้องเจ็บต้องป่วยหรือว่าต้องแก่แล่ำเพลิในชีวิตนะคิดว่าเราจะมีชีวิต อ, อยู่ได้ยั่งยืนยาวนานนะชั่วฟ้าดินสลายไม่เคยนึกถึงความตายที่จะเกิดขึ้นกับตัวเลยทั้งที่มีคนตายให้เห็นอยู่หรือว่าได้ยินอยู่เป็นประจำํำนะ นะเทวทูตเหล่านี้เนี่ยนะเคยมาปรากฏให้เจ้าชายสิทธัตถะเห็นพวกเราคงจําได้นะเมื่อเจ้าชายสิทธาาัตถะกับชนะนะออกมาในวังก็เจอคนแก่คนเจ็บคนตายนะนั่นแหละเรียกว่าเทวทูตสามแล้วก็ได้สติขึ้นมาเลยนะแล้วลึกว่าโอ้คนเรานี่มาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายหรือเนี่ยแต่ก่อนไม่เคยรู้ พอรู้แล้วเนี่ยก็หายรุ่มหลงเพลิดเพลินในความสุขสบายที่เคยมีอยู่นะที่พระราชบิดาพนะระเจ้าสุโธธนะเคยประเคนให้ตลอดเวลาตั้งแต่เล็กเกิดความไม่ประมาทขึ้นมานะจึงแสวงหาทางหลุดพ้นนะออกบวชนะอันนี้เรียกว่า เจอเทวะทูตเข้ามาเตือนนี่ตาสว่างเลยได้สติแต่พวกเรานี่อาจเป็นเพราะได้เจอบ่อยนะคนแก่คนเจ็บคนป่วยก็เลยไม่รู้สึกอะไรแต่ที่จริงถ้าน้องเข้ามาใส่ตัวมันมันสะเทือนนะเมื่อเราตระหนักว่าสักวันหนึ่งเราต้องแก่ต้องเจ็บสักวันหนึ่งเราต้องตายเนี่ยอันนี้เทวะทูตมาเตือนเนี่ยนอกจากจะกระตุ้นให้เรามันทําความดี เราเป็นความชั่วแล้วเนี่ยจริงมันน่าจะเตือนให้เราคิดต่อไปนะว่าเมื่อเราต้องแก่เมื่อเราต้องเจ็บต้องป่วยแล้วเมื่อเราต้องตายเนี่ยเราจะรับมือกับมันอย่างไรใจถึงไม่ทุกข์น ะ, ะทำความดีก็ดีแล้วนะเรื่องทำความดีเพะเจอคนแก่คนเจ็บคนตายอ่ะไม่ประมาะเรื่องทาความดีทาบุญทำกุศลไม่ทาความชั่ว แต่ถ้าไม่พร่จต้องถามต่วว่าเอถ้ามันถึงคราวที่เราต้องเจอต้องแก่ต้องเจ็บต้องป่วยต้องตายเราจะรับมือกับมันยังไงเราจะอยู่กับมันได้อย่างไรโดยที่ไม่ทุกขนะ์ให้มันทุกข์แต่กายใจไม่ทุกข์ตรงนี้แหละที่มันจะทําให้เราตระหนักถึงความสําคัญของการฝึกจิตนะการภาวนาเทําความดีอย่างเดียวไม่พอนะมันต้องภาวนาด้วยนะหลายคนก็ ขยันในการทำบุญทำกุศลนะอันนี้ดีแล้วนะแต่ว่าอย่าทิ้งเรื่องภาวนาเรื่องการฝึกใจนะซึ่งที่พเรามาที่นี่เนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะเพราะว่าแสดงว่าเราก็ไม่ประมาทนะเห็นความสำารับการฝึกจิตนะหลายคนในที่นี้หรือว่าส่วนใหญ่ก็คงจะเป็นคนมันทำบุญให้ทานแล้วก็รักษาศีลอยู่แล้ว แต่ถ้าเราลืมเรื่องภาวนาไปเนี่ยถึงเวลาแก่ถึงเวลาเจ็บป่วยเนี่ยไอความดีที่ทำนี่มันยังไม่พอนะมันต้องฝึกจิตด้วยนะเพราะว่าจะทำให้เราไม่หลงเข้าไปในทุกขเวทนาหรือว่าไม่ปรุงแต่งนะเหตุร้ายเรื่องราวต่างๆที่ยังมาไม่ถึงให้มันดูน่ากลัว บางคนเนี่ยเจ็บป่วยนะอาจจะยังไม่ถึงขั้นร้ายแรงนะแต่ว่าจิตมันสุดเลยนะพอหม อ, หม อ, ห, มอหมอเป็นมะเร็งระยะที่สองนะกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยหมดอะไรตายอยากกับชีวิตบางคนตายเลยนะีคุณป้าคุณนึไปหาหมอเข้าๆออกอยู่หลายครั้งไม่รู้เป็นอะไรจน ง, งวันนึงหมอ ก็บอกว่าป้าป้าเป็นมะเร็งตับนะอยู่ได้ไม่เกินสามเดือนจะตกใจมากเลยช็อกกลับไปบ้านนี้กินไม่ได้เราไม่หลับไม่มีชีวิตชีวาหมดอะไรตาย อ, อยากกับชีวิตบอกว่อยู่ได้แค่สิบสองมันก็ตายถามว่าที่เกศตายเร็วเนี่ยเป็นเพราะมะเร็งมันลามจนตายหรือเปล่าจึงมะเร็งมันยังไม่ลามไปถึงขนาด น, นั้นหรอก แต่ว่าเป็นเพราะตื่นตะหนกตกใจคิดปรุงแต่งไปสารพัดว่าถ้าถ้ามะเร็งมาลุกรามนะจะอยู่ยังไงแล้วลูกแล้วลูกหลานใครจะดูแลนะหรือว่าถ้าต้องมีสายเลยงระยางนี่นะจะทุรนทุรายแค่ไหน แล้วความตายก็ล่ะโอ้คิดไปสารพัดเลยนะคิดไปแล้วก็ไปหลงอยู่ใ น, ในความคิดนั้นจมอยู่ในความเศร้าความโศก ค, ความวิตกกังวลสิบสองวันก็ตายอันนี้ไม่ได้ตายเพราะมะเร็งนะแต่ตายเพราะการปรุงแต่งตายเพราะหลงเข้าไปในความคิดหลงเข้าไปในอารมณ์และอารมณ์เหล่านี้มันก็บันทอนจิตใจ มันก็ฆ่าเอาคุณป้าคนนั้นเนี่ยในที่สุดมันเ็งไม่ได้ฆ่านะแต่ความหลงความจมอยู่ในอารมณ์ที่เป็นอกุศลนี่แหละที่มันฆ่าเอาคนบางคนนี่หมอบอกว่าอยู่สามเดือนแต่อยู่ได้สามปีก็มีแม้วจะเป็นมะเร็งตับนะเพราะเขาไม่ปรุงแต่งรักใจรักษาไว้ได้ดีเพราะอะไรพ่อมีสตนะิเพราะมีการภาวนามันฝึก ทำสมาธิให้จิตสงบไม่ปรุงแต่งให้มันอชวนให้วิตกเกินเหตุอยู่กับปัจจุบันนะไม่หลงเข้าไปในความคิดนะแต่ผู้ใหญ่ก็ส่วนใหญ่ตายเลยเพราะมันพะหลงอย่างที่บอกไว้เมื่อวานนะคนเราเนี่ยนะมันมีอยู่สองโหมดนะเวลาตื่นนะก็คือรู้กับหลงส่วนใหญ่เนี่ยรู้ว่าน้อยนะหลงเยอะ หลงเข้าไปในความฝันที่เราฝันกลางวันนี่ก็ยังไม่เท่าไหร่นะเออเพลินดีน ะ, จะเจริญสติที่นี่ก็นึกไปแล้วเออนะวันเสาร์วันอ า, าทิตย์นี้เราจะไปฉลองหน่อยนะนะพอคิดว่าเราจะไปฉลองจะไปกินไก่ย่างนะจะไปกินอะไรให้สมอยากอู้มันก็เพลินนะไอความเบื่อความทุกจากการปฏิบัติก็หายไป่างนี้ก็ ไม่เสียหายอะไรเท่าไหร่แต่พ่อชอบปล่อยใจหลงแบบนี้แหละพอมันจะคิดไปอีกด้านหนึ่งนะคิดไปในทางเรียลไลนนะก็ห้าไม่อยู่นะคนที่เพลินในฝันกลางวันเนี่ยนะพอมันฝันรลายมันก็หลงเข้าไปเหมือนกันนะมันก็จะหลุดเข้าไปในฝันรลายยิ่งลงยิ่งเพลินในฝันกลางวันมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งหลงติดหลุดเข้าไปในฝันรลายได้ง่ายเท่านั้นมันเป็นเรื่องเดียวกัน เมื่อคนที่เวลาคนชมแล้วดีใจนะเวลาถูกด่าก็จะทุกมากเลยคนที่หัวเลาะเสียงดังมากเท่าไหร่เวลาร้องไห้มันก็จะร้องไห้ดังเหมือนกันมันเป็นมันเป็นปฏิกิริยาที่เรียกว่าสัมสัมพันกันถ้าใจลอยเพราะฝันกลางวันนะพอฝันร้ายเมื่อไหร่มันก็จะหลุดเข้าไปแล้วก็จะถูกฝันร้ายนั้นทําร้ายบั่นทอนกินไม่ได้นอนไม่หลับสุขภาพยันแย่ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่อยากจะให้ชีวิตลงเอ่ยแบบนั้นเนี่ยนะมันก็ต้องพยายามหลงให้น้อยลงแล้วก็รู้ให้มากขึ้นเรียกว่าเป็นคนที่ขยันรู้หรือใยรู้นะใยรู้นี่ไม่ได้ใช้กับเด็กนักเรียนที่ต้องขยันศึกษาขยันเรียนรู้มันอ่านหนังสือนั้นผู้ใหญ่ ก็ต้องขยันรู้ฝ่ายรู้แต่ว่าไม่ใช่หมายถึงการขยันศึกษาอันนั้นมันก็จำเป็นอยู่แต่ว่าขยันรู้ทุกอาการที่เกิดขึ้นกับกายและใจมันตีตัวไปก่อนไข้วิตกกังวลก็รู้นะมันเริ่มจะปรุงแต่งไปแล้วนะก็รู้มันโกรธก็รู้นะ มันงุนงิดก็รู้มันเบื่อก็รู้นะอันนี้เราขยันรู้นะอันส่วนใหญ่เนี่ยชอบหลงคนเรามีสองประเภทเท่านั้นนะขยันรู้กับชอบหลงนะเราจะเป็นคนแบบไหนนะเราจะเป็นคนที่ชอบหลงหลงแต่พึต่พือนะขนาดมาปฏิบัติตรงนี้ที่นี่ก็ยังหลงนะแล้วก็หลงเอาจริงเอาจังมากเลย หรือว่าเราจะทำความเพียรเพื่อจะขยันรู้ใฝ่รู้และสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยขยันรู้แล้วก็หลุดจากความหลงได้มากขึ้นมากขึ้นก็คือสตินะสะติเนี่ยมันแปลง่ายๆว่าความระลึกได้สติคือระลึกได้นะ ความระลึกได้เนี่ยมันก็มีสองแบบนะเช่นระลึกได้ว่าเมื่อวานเนี่ยตมาพูดว่าอะไรนะจำได้ไมาเมื่อเช้าเนี่ยตมาพูดอะไรนะบางคนก็ลืมแล้วนะลืมไปแล้วว่าตมาพูดเรื่องท้องอิ่มจึงบรรลุธรรมเนี่ยลืมไปแล้วเมื่อวานนี้ก็พูดเรื่องอะไรนะหรือเมื่อวานนี้กินอะไรเมื่อเช้า หรือเมื่อเช้านี้นะกินอะไรเป็นอาหารถ้าเรานึกขึ้นได้เมื่อไรนั่นแหละเป็นเพราะสตินะสติเป่นความระลึกได้ระลึกได้ในสิ่งที่มันเป็นอดีตนะระลึกได้ว่าทําการบ้านค้างเอาไว้ทํางานค้างเอาไว้ก่อนมาเนี่ยอะไรบ้างอ่าอันเนี้ยเราต้องใช้สติมันช่วยทําให้เราทํางานได้ในชีวิตประจําวันช่วยทําให้เราอยู่ได้ อยู่ที่วันนี้ก็ต้องใายสตินะเช่นจำได้ว่ากุฏิเบอร์อะไรนะห้องพักเบอร์อะไรรละลึกได้อย่าหนึ่งคือระลึกสิ่งสิ่งที่กําลังทำอยู่ในปัจจุบันเช่นกาลังสร้างจังหวะอยู่ใจมันลอยหลงเข้าไปในความเพลินหลงเข้าไปในความวิเศษนึกขึ้นมาได้ว่าเรากาลังสร้างจังหวะหรือนึกขึ้นมาได้ว่าเรากาลัง ฟังคําบรรยายมันกลับมานะสติมันพอเราลึกขึ้นมาได้มันกลับมาเลยนะรวมถึงเราลึกได้ว่าสิ่งที่ควรทําหรือต้องทําในขณะนี้คืออะไรนะอันนี้แหละนะที่จะชี้ว่าเราประมาทหรือไม่ประมาทเช่นนักเรียนแทนที่จะสนใจในการเรียนก็ไปเที่ยวเตะสนุกสนานอันนี้เรียกว่าไม่มีสติ แตพอนึกขึ้นไม่ได้เฮ้ยนี่เราต้องทําการบ้านแล้วนะเพลินไปกับการเล่นจนกระทั่งนึกขึ้นมาได้ว่าเนี่ยการบ้านยังไม่ได้ทําเลยสี่ทุ่มแ ล, แล้วเล่นเกมออนไลน์จนเพลินนึกขึ้นมาได้ต้องทําการบ้านแล้วพอพรุ่งนี้ต้องส่งอ่ะอย่างนี้เรียกว่าสติเหมือนกันแล้วลึกได้ว่าอะไรควรทําหรือว่าที่เรเตะสนุกสนานแล้วลึกขึ้นมาได้โอ้เรานี่ใช้ชีวิตปล่อยปลาล่นเลยมากมันควรนะ มันทําความดนะีหาเวลาปฏิบัติธรรมหรือวคนที่ทําแต่งงานเสร็จก็ระ ล, ลึกขึ้นมาไดไ้นี่เราไม่เยี่ยมพ่อแม่มานานแล้วนะจะหนักว่าเนี่ยควรจะหาเวลาไปเยี่ยมท่านนะนี่แล้วว่าเราลึกได้ถึงสิ่งที่ควรทําหรือสิ่งที่ต้องทําในปัจจุบันนะหรืออาจจะไปเพื่ว่า ทำงานจนเพลินแล้วนึกขึ้นมาได้ว่าต้มน้ำไว้เป็นชั่วโมงแล้วนึกขึ้นมาได้ว่าต้อ ง, ไ ป, ง, ไ, องไปดูเชว่าน้ำที่ต้มไว้มันเป็นยังไงบ้างนะหรือนึกขึ้นมาได้ว่าเรามีนัดจะไปอ่าหาเพื่อนจะไปงานศพเนี่ยนึกขึ้นมาได้ว่าต้องไปแล้วอันนี้แหละก็ปเป็นเรื่องของสตินะรวมทั้ง แล้วลึกได้ว่าอะไรที่ไม่ควรทํานะไม่ควรทําอะไรที่ควรทําอะไรที่ไม่ควรทําหรือต้องไม่ทําหรือควรหลีกเลี่ยงถ้าไม่มีสตินี่มันก็ทํานะทั้งในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องหรือว่าเช่นไปด่าเขาเนี่ยนะเพราะความโกรธไอตอนนั้นไม่มีสติแล้นะพอมีสตินึกขึ้นมาได้โอเราไม่น่าไปด่าก็เลยนะแต่ถ้ามีสติมันก็ ไม่ท่านจะด่าก็หยุดนะหรือว่ากําลังเดินอยู่บนกำลังเดินมาที่หอไตจหรือว่ากําลังจะเดินกลับไปกุฏิกลางคืนอกลางวันดีกว่านะตอนเย็นๆเนี่ยใจลอยนะไม่เห็นหอยท่าข้างหน้าเกือบจะเหยียบแล้วนะนึกขึ้นมาได้ เกิดมีสติขึ้นมามันหลุดจากความคิดก็มาเห็นหอยทากอยู่ข้างหน้าเกือบจะเหยียบแล้วนะไม่เหยียบแต่เราควร็เหยียบนะเพราะว่าตอนนั้นไม่มีสติมันหลุดเข้าไปในความคิดเพลินหอยทากเนี่ยมันอยู่ต่อหน้าตาเนี่ยเห็นหอยทากแต่ใจมันไม่รับรู้เพราะใจมันกาลังคิดนะโน่นนี่นะแค่สติมันช่วยมากเลยมันทาให้เราเระลึกได้ไว และมันยัมีอันที่สูมากกว่านั้นนะคือมันทําให้หลุดจากความคิดและอารมณ์เพราะว่าสติเนี่ยมันทําให้รู้ทันด้วยนะมันไม่ใช่แค่ระลึกรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ควรทําอะไรคือสิ่งที่ต้องทําในขณะนี้อะไรคือสิ่งที่ไม่ควรทําในขณะนี้ไอ้ที่หน้าที่ที่มันละเอียดกันนั่นคือมันทําให้รู้ทันอารมณ์และความคิดที่เกิดขึ้นซึ่งทําให้เราสามารถจะหลุดจากความคิดและอารมณ์นั้นได้นะ อันนี้สําคัญมากเลยเพราะสติจะทําให้เรากลับมาอยู่กับปัจจุบันกลับมารู้เนื้อรู้ตัวนะอารมณ์เนี่ยมันพวกเราเนี่ยมีความทุกข์เพราะความคิดและอารมณ์มากมายนะแล้วเราก็ไม่รู้จะจัดการกับมันอย่างไรแล้วก็พยายามกดข่มมันเอาไวนะ้แต่ว่ามันมีวิธีที่ดีกว่านะั้นคือมีสติรู้ทันและพอมีสติรู้ทันนี่มันหลุดจากอารมณ์ มีเพื่ อ, องหนึ่งนะคล้ายๆก็เรียกครูนาครูนาแ่เล่าว่าวันหนึ่งเนี่ยนะย่าเนี่ยย่าเนี่ยคือแม่สามีเนี่ยนะแกรักหลานมากวันหนึ่งก็ย่านี่ก็รักหลานหลานก็รักยา่าวันหนึ่งยา่าวันหนึ่งวันนึงลูกเนี่ยนะอายุสี่ขวบก็ไปเก็บดอกไม้มานะมาให้ยา่า ดอกไม่มีสองสีนะก็คือเหลืองกับแดงเจ้าตัวเนี่ยใส่แจกันเหลืองก็ใส่แจกันหนึ่งแดงก็ใส่แจกันหนึ่งมาให้ยา่าอุย่าก็ดีใจขอบคุณหลานใหญ่แต่พอหลานไม่อยู่เนี่ยย่าก็เห็นว่าดอกไม้สองสีเนี่ยมันน่าจะปนกันนะก็เอาเหลืองมาใส่แจกันแดงเอาแดงมาใส่แจกันเหลืองเสร็จแล้วย่าก็ไปทำธุระหลานกลับมาเห็นนะไม่พอใจนะ ว่าโกรธมากเลยย่านี่มาทำให้เสียหมดเลยนะหลานเป็นศนะิลปินอายุสี่ขวบเนี่ยแม่อยู่ในเหตุการณ์แม่ก็บอกว่าเดี๋ยวแม่ทำให้เองกลับมาเอาดอกไม้มาสลับให้เป็นของเดิมหลานไม่ยอมจะให้ย่าทำให้ได้แม่ก็บอกย่าไม่อยู่ไม่รู้ละย่าต้องทำเอาโอ้าก็ได้งั้นเดี๋ยวย่ากลับมาจะบอกให้ย่าเนี่ยเอาดอกไม้นะสลับกลับ ให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมก็ไม่ยอมนะเจอหลานเจอลูกนี่ทำไงนะโอ้โหแม่จะทำให้ก็ไม่ยอมนะจะให้ยา่ายากลับมาแล้วค่อยบอกย่าให้ทำก็ไม่เอาแม่หลายคนก็ทนไม่ไหวนะด่าเลยหรือไม่ก็เบิรเดเลยนะแต่แม่คนนี้เนี่ยแกใจเย็นนะก็เลยพูดกับลูกว่าตอนนี้ลู ก, ลกโกรธย่าใช่ไหม ใช่โกรธมากๆเลยลูกโกรธญ้าที่เอาดอกไม้ของลูกเนี่ยมาปนกันใช่ไหมใช่นลูกอยากจะให้ย้าเนี่ยเอาดอกไม้เนี่ยนะกลับมาเหมือนเดิมใช่ไหมใช่แล้วตอนนี้ลูกโกรธลูกโกรธย้าแค่ไหนโกรธเท่านี้โกรธเท่านี้หรือเท่านี้คือเท่าฟ้าเหรอโกรธเท่าฟ้าเลยโอ้ฟังดูนี่น่ากลัวนะโกรธย้าขนาด น, นี้แล้วงั้นเดี๋ยวจะบอกย้าให้นะ สักพักนะเด็กนี่สงบเลยนะแล้วเด็กก็ไม่งองแงแล้วเด็กก็ออกไปวิ่งเล่นตามประสาเด็กอะความกลววมันหายไปเลยทำไมความกลัวมันหายเพราะว่าแม่เนี่ยนะช่วยให้เด็กได้เห็นความโกรธของตัวแม่เหมือนกับเป็นกระจกสะท้อนคำถามของแม่นี่มันเป็นกระจกสะท้อนให้เด็กได้เห็นว่าตัวเองโกรธแล้วโกรธมากๆด้วยพอเด็กเห็นความโกรธของตัวนะ สติมันทำงานเต็ทีเลยเพราะสิ่งที่เห็นเนี่ยคือเห็นด้วยสตินะพอเด็กรู้ว่าเกลียดโกรธนะความโกรธมันหายไปเลยและเด็กนี่จะโกรธได้เร็วจะเด็กจะหายโกรธได้ไวเพราะเด็กเนี่ยไม่มีเหตุผลมามายื้อมาลองรับความโกรธผู้ใหญ่เนี่ยมันจะสร้างเหตุผลเพื่อจะมาลองรับว่าสมควรโกรธแต่เด็กมันไม่มีความคิดที่จะปรุงแต่งเหตุผลมาลองรับโกรธก็โกรธแต่พอมีสติรู้ว่าหายว่าโกรธนะมันหายโกรธไปเลย อันนี้มันเห็นเลยนะว่าความโกรธเนี่ยพอมีสติรู้ทันเนี่ยมันช่วยได้แล้คุณนาแกก็ไปเล่าเรื่องนี้นะให้ในในที่ประชุมผู้ปกครองนะมีผู้ช่องคนหนึงเป็นผู้ชายนะแกมีปัญหากับลูกนะไม่ได้ทะเลาะอะไรกันหรอกแต่ลูกเนี่ยนะอายุ ป, ประมาณสี่ขวบเหมือนกันผู้ลูกชายเนี่ยเป็นคนที่กลัวโปะ๊ะกลัวโป๊ะมากเลยโป๊ะที่ ที่เวลาเราจะข้ามแม่น้ํำนะเราก็ต้องลงโป๊ก่อนที่จะลงเรือได้เวลาพ่อเนี่ยอุ้มลูกเนี่ยลงโป๊เนี่ยลูกจะกลัวมากนะตัวแข็งเลยแล้วก็โวยวายร้องบอกให้พ่อเนี่ยออกจากเป๊ะไวๆนะกลัวมากเลยไม่รู้วความกลัวนี่มย่างไหนพ่อก็พยายามบอกว่าลูกไม่ต้องกลัวพ่อเนี่ยอยู่กับลูกนะพ่อเนี่ยจะกอดลูกแน่นลูกไม่มี วันเป็นอันตรายแน่นอนชี้แจงอธิบายให้ผลเท่าไหร่ลูกก็ไม่เคยหายหายกลัวเลยซึ่งก็เป็นอย่างนั้นนะเพราะความกลัวเนี้ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยเหตุผลจึงจะระ ง, งับได้แล้วพอเราพอได้ฟังเรื่องนี้จากครูนาเนี่ยเกิดสนใจขึ้นมาเอ๊ะมันจะใช่กับลูกเราได้เหรอแล้วแกก็ทดลองนะมันถึงก็อุ้มลูกเนี่ยลงโปะ๊ะเหมือนเดินเลยลูกนี่โอ้ยตัวแข็งตัวเกรงแล้วก็วอยวายร้องจะให้พ่อเนี่ยนะนะ ขึ้นยากพ่อให้ได้นะแต่ก่อนพ่อก็บอกว่าไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวแต่คราวนี้ไม่ไม่ไม่บอกแล้วก็ถามลูกว่าตอนนี้ลูกรู้สึกยังไงกลัวกลัวกลัวแล้วมันเป็นยังไงแล้วก็ถามว่าร่างกายมันเป็นยังไงนะหัวใจเป็นยังไงหัวใจเต้นเร็วลมหายใจหัวหายใจทีเลยนะเด็กก็บอกตัวมันเกร็งเลยนะ แล้วใจเป็นไงหัวใจมันหนักมากเลยพ่อสนะักพักนี้นะเด็กก็เด็กก็นิ่งแล้วจูบๆนะเด็กก็ปล่อยมือเพราะเด็กก็ปล่อยมือที่กอดพ่อนะแล้วก็ลงมาวิ่งเล่นอยู่รอบโปจากเด็กที่กลัวโปะนะมันกลายเป็นหายกลัวไปเลยพ่อนีอ่ประหลาดใจมากความกลัวมันหายไปง่ายมากเลยเพียงแค่ให้เด็กได้เห็นความกลัวของตัวนะ แต่เด็กเห็นด้วยตัวเองไม่ได้นะพ่อก็ใช้วิธีถามและให้เด็กมาพิจารณามาดูกายฉะ น, นั้นความกลัวเนี่ยนะมันแพ้แพ้สตินะพอสติมารู้มาเห็นเนี่ยมันหายอันนี้ก็ตรงกับตัวอย่างของเพื่อนอีกคนกงเป็นหมอชื่อหมอวิธานนะแกเป็นหมอผ่าตัดนะตอนหลังแกมาผา่าแกมาผ่าตัดเดจะเป็นผ่าตัดเล็ก แกมีปัญหากับคนไข้หลายคนนะเวลาขึ้นเตียงผ่าตัดเนี่ยคนไข้จะกลัวจะมีการทุรนทุรายหมอก็ถามว่ากลัวอะไรถามไปทำไมาคนไข้บอกกลัวเจ็บไม่เป็นไรงั้นเพราะยังไงผมก็ต้องฉีดยาฉาอยู่แล้วนะบางคนพอบอกว่าจะฉีดยาฉากลัวอีกนะกลัวอะไรกลัวเข็มนะหมอนี่นนะ บางทีนะให้ให้ยานอนหลับก่อนนะก่อนที่จะฉีดยาชาขนาดนี้เลยนะให้ยาน อ, นอนหลับก่อนเพราะกว่าไอ้คนที่กลัวหลายคนนะไม่หลับนะเพราะกลัวมากเนี่ยไม่หลับไปหลับอตอนกลับถึงบ้านแล้วนะแล้พอฉีดยาชาเนี่ยนะบางคนเนี่ยฉีดยาชาเสร็จนะก็ยังกลัวนะทั้งที่ไม่รู้สึกเจ็บแล้วนะยังกลัวอีกนะแปลกมากเลยหมอกอธิบายนะว่า คุณไม่เจ็บแล้วชาแล้วตอนเนี้ก็ยังกลัวเพราะความขิ้กับปรุงแต่งเนี่ยไอ้กายเนี่ยมันไม่เจ็บแล้วล่ะแต่ว่าความขีม้งับปรุงแต่งว่าจะต้องเจ็บนะทุกมากเลยจาที่ผ่านมาแกก็พยายามอธิบายว่ามันไม่เจ็บนะให้ผลต่อหลังเนี่ยแกมาได้ความคิดจากประสบการณ์ของเพื่อนหมอบางคนแกพยายาพูดว่าให้ใช้เรื่องของการรู้ทัน ตอนหลังเนี่ยนะพอหมอพอคนไข้เนี่ยมามาันนอนอยู่ห้องเตียงผ่าตัดเนี่ยแกไม่ไม่ถามแล้วว่าแกไม่พูดแล้วว่าอย่า ก, กลัวแกกับพูดอีกอย่างหนึ่งว่าตอนนี้คุณเป็นยังไงกลัวใช่ไหมเออดีนะอย่าพยายามไม่กลัวนะอย่าพยายามไม่กลัวให้คนไข้ฝึกสบายใจว่าเออไอการกลัวนี่เป็นเรื่องธรรมดาบางคนกลัวแล้วไม่ไม่สบายใจใกูต่อเป็นสามสิบสิบแล้วยังกลัวอยู่นะ มันพยายามกดขม่มความกลัวยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เพราะความกลัวเนี่ยเมื่อความโกรธนะยิ่งกดข่มมันยิ่งอารวาดสิ่งที่หมอวิธานทําคือพูดให้สบายใจว่ากลัวก็เป็นเรื่องธรรมดาคุณอย่าพยายามไม่กลัวเสร็จแล้วก็ให้คุณค่ายเน็ตดูความกลัวว่าตอนนี้กลัวกี่คะแนนถ้าสมมติมีสิบเนี่ยนะให้สเกลความกลัวเท่าไหร่บางคนก็เจบางคนก็8ดเสร็จแล้วถามคุณค่ายว่าเนี่ยให้บอกคุณายให้ลองสังเกต พิจารณาความกลัวดูคุณไม่ต้องไปผักสายมันให้สังเกตพิจารณาความกลัวดูที่ร่างกายว่าร่างกายตอนนี้เนี่ยมันเป็นยังไงเอาบอกมอนให้ร่างกายเป็นยังไงแต่คนไข้ก็บอกร่างกายเป็นอย่างนี้แหละเสร็จแล้วก็ให้คนไข้เนี่ยนะลองดูนะว่าเออยอมรับมันใชความกลัวมันจะมีมมก็ยอมรับมันแล้วก็ลองเข้าไปเดินเข้าไปในความกลัวดู เข้าไปอยู่ในใจกลางความกลัวไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องผลักสายแล้วมันเข้าไปหลายคนเนี่ยเพียงแค่ให้ทิศใช้เห็นร่างกายว่ามันกลัวมันมีปฏิกิริยาต่อความกลัวยังไงเนี่ยก็ช่วยได้เยอะแล้วบางคนต้องให้เข้าไปในในกลางความกลัวแล้วคนพบว่าพอเขาอยู่ตรงนั้นแล้วมันมันสงบเหมือนเมื่อกับอยู่ใจกลางพายุเนี่ยพายุเนี่ยรอบๆข้างนอก น, นี่มันจะดูน่ากลัวมากแต่ข้างใ น, นมันสงบมากก็เรียกว่าอ่า ใจกลางพายุมันสงบเสร็จแล้วเนี่ยให้คนไข้เนี่ยให้คะแนนความกลัวว่าตอนนี้กลัวเท่าไหร่ปรากว่าความกลัวจะลดลงเยอะเลยเหลือสามหลือสี่จากเจ็ดหรือแปดอันนี้กับผู้ใหญ่นะซึ่งสิ่งที่หมอวิธานทําก็เป็นสิ่งเดียวกับที่ครูนาทำแหละก็คือทําให้มีสติเห็นความกลัวให้ดูมันให้รู้ทันมัน หมอวิธานใช้ก็ว่าชําเลืองนะชําเลืองความกลัวเพราะนั้นเนี่ยเวลาเราเวลาเรามีเวลาเรามีความกลัวนะรวมทั้งอารมณ์อื่นด้วยนะโกรธด้วยเศร้าด้วยเนี่ยคุณลองใช้วิธีนี้ดูนะไอตอนที่กลัวตอนที่โกรธตอนที่ตอนที่เศร้าเนี่ยมันหลงเข้าไปละตอนนั้นเนี่ยมันอยู่ในโหมดของการหลงนะแต่พอเรามีพอเรามีสตติลุทันเนี่ยจิตมันจะหลุด นะจิตมันจะมากลับมารู้เนื้อรู้ตัวแต่ต้องเกิดขึ้นจากการรู้ทันก่อนนะรู้ทันอารมณ์แล้วมันจะรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาแล้วอารมณ์ที่มันรบกวนใจมันก็จะค่อยๆคลีค่คลายหายไปแล้วตรงนี้แหละนะที่เอาไปใช้รับมือนะกับเวลาแก่เวลาเจ็บรวมทั้งเวลาตายได้น ะ, ะคำนี้ก็เพื่อเท่านี้ก่อนอกล่าว พ, พร้อมกัน